เป็นหลวงปู่ทวดและให้เพื่อแจกเพื่อให้ญาติโยมและเพื่อหาทุนบูรณะวัดและในการ โดย 2 รูปคือหลวงหรือสมณศักดิ์ในปัจจุบันก่อนมลก่อนที่ท่านจะมาณภาพ เจ้าอาวาสวัดทรายขาวในปัจจุบัน ท่านได้ขอพระราชทานพระราชูปถัมภ์เพื่อมาปฏิสังขรณ์วัดจากนั้น มีบันไดนาคทั้ง 2 ข้างส่วนทางทิศใต้ปัจจุบันนี้สมาธิ จึงมาพบกับ wow 2 พี่น้องน้องและวัดพะโคที่ทรุดโทรมมากแล้วท่าน <Deep ado. S 1> 2 พี่น้องตรง ต้นยางคู่วัดทะโขโดยมีเรื่องเล่ากันว่าทางที่ตะวันออกด้านหน้า และอยู่มาจนถึงปัจจุบันส่วนยางอีกต้นหนึ่งเล่ากันว่ามา ท่านได้ให้เอาคอน วัดทุมพลเป็นวัดที่อยู่ก่อน กล่าวกันว่าเดิมเป็นสำนักสงฆ์เรียกกันว่าสำนัก กาลเวลาต่อมามีธรรมนารเล่าว่ามีสมณเณรรูปท่านคนนั้นก็คือ ก็ปิติยินดีมากปิติยินดีมาก 15 ค่ํา 6 สาธุชนต่างก็ องค์ท่านได้ลามีบางคนเข้าใจว่าจากมีผู้พบเห็นว่าแล้ว เขาไม่เชื่อกันว่าท่านไปสู่สวรรค์แล้วด้วยบรรยาธิการขององค์ท่าน เมื่อจะมีพิธีอุปสมบทหลานก็มักจะนิยมนําน้ํา เมื่อถึงเดือนพฤษภาคมถึงเดือน ที่แกะสลัก 200 ปีแล้วชาวบ้าน